หปัญญติวารานิเทศหนึ่งปัทถโสธนวาระอนุโลมเก้าสิบสี่อนุจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิทิปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิจักขุนสีเป็นจักขุใช่ไหมวิใช่อนุโสตะเป็นโสตินสีใช่ไหมวิ ทิปโสตะตานหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตินีโสตินรียเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตินรียขก็ใช่ปฏิโสตินรียเป็นโสตะใช่ไหมวิใช่อนุคานะเป็นคานินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิคานินรียเป็นคานะใช่ไหมวิใช่อนุชิวหาเป็นชิวหินรี์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ ชิวหินสีเป็นชิวหาใช่ไหมวิใช่อนุกลายเป็นกายยินรีใช่ไหมวิเว้นกายยินรีแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเียนกายแต่ไม่เป็นกายยินรียกายยินรียเป็นกายก็ใช่เป็นกายยินรียก็ใช่ปฏิกายยินรียเป็นกายใช่ไหมวิใช่อนุมโนเป็นมนินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรีย์เป็นมโนใช่ไหมวิใช่ อนุอิทธิเป็นอิทธินี์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปติอิทธินรีย์เป็นอิทธิใช่ไหมวิไม่ใช่อนุปุริจะเป็นปุริสินีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิปุริสินีเป็นปุริจะใช่ไหมวิไม่ใช่อนุชีวิตเป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิชีวิตินทรีย์เป็นชีวิตใช่ไหมวิใช่อนุ สุเป็นสุ ข, ขินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสุขหินสีเป็นสุขใช่ไหมวิใช่อนุทุกเป็นทุกหินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิทุกหินสีเป็นทุกใช่ไหมวิใช่อนุโสมนัสเป็นโสมนัสหินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัสหินรียเป็นโสมนัสใช่ไหมวิใช่อนุ โทมานต์เป็นโทมนต์สินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิโทมนต์สินสีเป็นโทมนั์ใช่ไหมวิใช่อนุอุเบกขาเป็นอุเบกหินสีใช่ไหมวิเว้นอุเบกหินสีแล้วอุเบกขาที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเบกหินสีอุเบกขินสีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเบกหินสีก็ใช่ปฏิอุเบกหินสีเป็นอุเบกขาใช่ไหมวิใช่อนุ สัทธาเป็นสัททินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิสัททินรีย์เป็นสัทธาใช่ไหมวิใช่อนุวิริยะเป็นวิริยินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิวิริยินสีเป็นวิริยะใช่ไหมวิใช่อนุสติเป็นสัททินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสัททินรีย์เป็นสติใช่ไหมวิใช่อนุสมาธิเป็นสมาทินรีย์ใช่ไหม วิชัยปฏิสมาธินรียเป็นสมาธิใช่ไหมวิชัยอนุปัญญาเป็นปัญญินรียใช่ไหมวิชัยปฏิปัญญินรียเป็นปัญญาใช่ไหมวิชัยอนุอนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามีตินรีย์ใช่ไหมวิชัยปฏิอนัญญาตัญญสามีตินรียเป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมวิชัย อนุอัญญาเป็นอ yes ัญญ <um <um <um <um <um ินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิอัญญินรียเป็นอัญญะใช่ไหมวิใช่อนุอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอัญญาตาวินรียเป็นอัญญาตาวีใช่ไหมวิใช่ปัจจเนกา๙๕อนุสภาวะธรรมที่ไม่เ uh, ป็นจักผุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุนสีไม่เป็นจักขุใช่ไหมวิที่ประจักขุปัญญาจักขุไม่เป็นจักขุนสีแต่เป็นจักขุเว้นจักขุและจักขุนสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นจักขุนสีก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตินสีไม่เป็นโสตะใช่ไหม วิทิปโสตะลันหาโสตะไม่เป็นโสตินรีแต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตินส e ีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นโสตะก็ใช่ไม่เป็นโสตินรีก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานินรีไม่เป็นคานะใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหินสีไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายยินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายยินสีไม่เป็นกายใช่ไหมวิเว้นกายยินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายยินสีแต่เป็นกาย เว้นกายและกายยินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายยินสีก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนินรีไม่เป็นมโนใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิถีไม่เป็นอิถินสีใช่ไหมวิอิถินสีไม่เป็นอิถีแต่เป็นอิถินสีเว้นอิถีและอิินสีแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิถีก็ใช่ไม่เป็นอิถินสีก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิถินสีไม่เป็นอิถีใช่ไหมวิอิถีไม่เป็นอิถินสีแต่เป็นอิถีเว้นอิถีและอิถินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิถีก็ใช่ไม่เป็นอิถินสีก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสะไม่เป็นปุริสินสีใช่ไหมวิ ปุริสินสีไม่เป็นปุริจะแต่เป็นปุริสินสีเว้นปุริจะและปุริสินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริจะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินสีก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นปุริสินสีไม่เป็นปุริจะใช่ไหมวิปุริจะไม่เป็นปุริสินสีแต่เป็นปุริจะเว้นปุริจะและปุริสินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นปุริจะก็ใช่ไม่เป็นปุริสินสีก็ใช่อนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชีวิตตินสีไม่เป็นชีวิตใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสุขินสีไม่เป็นสุขใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินสีใช่ไหมวิใช่ ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกขินิีไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสินิสใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสินิสไม่เป็นโสมนัสใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสินิสัใช่ไหมวิใช่ปติ สภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมณสินสีไม่เป็นโทมณช่ายไหมวิใช่ใชอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกขาไม่เป็นอุเบกินสีใช่ไหมวิ LEO: ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุเบกินสีไม่เป็นอุเบกขาใช่ไหมวิเว้นอุเบกินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบกินสีแต่เป็นอุเบกขาเว้นอุเบขาและอุเบกขินสีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอุเบขาก็ใช่ ไม่เป็นอุเบกินสีก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสัจทินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจทินสีไม่เป็นศรัทธาใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิริยะไม่เป็นวริยินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นวริยินสีไม่เป็นวิริยะใช่ไหมวิใช่อนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสตินรียไม่เป็นสติใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธินรี์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมาธินรียไม่เป็นสมาธิใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญาไม่เป็นปัญญินรีใช่ไหมวิใช่ ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นปัญญินรีไม่เป็นปัญญาใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีจินซีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีจินซีไม่เป็นอนัญญาตัญญสามีติใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญะไม่เป็นอัญญินสีใช่ไหมวิใช่ ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญีย์ไม่เป็นอัญยะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีไม่เป็นอัญญาตาวีใช่ไหมวิใช่สองปัฏฐานะโมระจักรวาระอนุโลม96อนุ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 ทิปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจกักขูก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินรีย์เป็นคาเนินสี์ใช่ไหมวิคานินรีย์เป็นอินรีย์ก็ใช่เป็นคาเนินรี่ก็ใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรี่แต่ไม่เป็นคาเนินรี่อนุจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิทิปจักขูปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสี จากขุนสีเป็นจากขู่ก็ใช่เป็นจากขุนสีก็ใช่ปติอินรีย์เป็นชฉีวหินสีใช่ไหมวิชฉีวหินสีเป็นอินรีก็ใช่เป็นชฉีวหินสีก็ใช่อินทรี์ที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นชฉีวหินสีอนุจากขูเป็นจากขุนสีใช่ไหมวิที่ประจักขูปัญญาจักขูเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจากขุนสีจากขุนสีเป็นจากขูก็ใช่เป็นจากขุนสีก็ใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นกายยินทรีย์ใช่ไหมวิกายยินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นกายยินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นกายยินทรีย์อนุจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิทิปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนทรีย์จักขุนทรีย์เป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นมณอินทรีย์ใช่ไหมวิ มนินทรีย์เป็นอ no e ินทรียีก็ใช่เป็นมนินทร์สีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรียีแต่ไม่เป็นมนินทรียีอนุจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิทิพจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นอิทธินทร์สีใช่ไหมวิอิทธินทรียีเป็นอินทรียีก็ใช่เป็นอิทธินทร์สีก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอิทธิ์สีอนุจักขุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิที่ประจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นปุริสินสีใช่ไหมวิปุริสินสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นปุริสินสีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นปุริสินสีอนุ จักผุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิทิพจักผูปัญญาจักผุเป็นจักผุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักผูข้ใช่เป็นจักขุนสีข้อใช่ปฏิอินรีเป็นชีวิตอินรีใช่ไหมวิชีวิตอินรีเป็นอินรีข้อใช่เป็นชีวิตอินรีข้อใช่อินรีที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นชีวิตอินรีอนุจักผูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิ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 จกขุนส ah ีเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินสีเป็นทุกขินสีใช่ไหมวิทุกขินสีเป็นอินรีก็ใช่เป็นทุกขินสีก็ใช่อินสีที่เหลือเป <im ple asi> ็นอินส bueno ีแต <à hayat> <they use> <sense> ่ไม่เป็นทุกขินสีอนุจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิทิพจักขูปัญญาจักขุเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นสมนักสินทรีย์ใช่ไหมวิโสมนักสินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสมนักสินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นโสมนักสินทรีย์อนุจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิที่ประจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนทีย์จักขุนทีย์เป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นโทมนักสินทรีย์ใช่ไหมวิ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 อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอุเบกขินทรีย์อนุจักขุเป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิที่ปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนทรีย์จักขุนทรีย์เป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจัตทินทรีย์ใช่ไหมวิจัตทินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจัตทินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจัตทินทรีย์อนุ จักขเก PC, вже, ุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิที่ประจักขูปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินรีเป็นวิริยินรีใช่ไหมวิวิริยินรีเป็นอินรีก็ใช่เป็นวิริยินรีก็ใช่อินรีที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นวิริยินรีอนุจักขูเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิ ที่ประจักผุปัญญาจักผุเป็นจักผุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนสีเป็นจักผุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิอินรีย์เป็นสตินรีย <ink> ์ใ <theo> ช่ไหมวิสตินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นสตินรียก็ใช่อินรียที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นสตินรีอนุจักผุเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิที่ประจักผุปัญญาจักผุเป็นจักผุแต่ไม่เป็นจักขุนสี จักขุนซีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนซีก็ใช่ปฏิอินรีเป็นสมาธินรีใช่ไหมวิสมาธินซีเป็นอินสีก็ใช่เป็นสมาธินรีก็ใช่อินรีที่เหลือเป็นอินรีแต่ไม่เป็นสมาธินรีอนุจักขุเป็นจักขุนซีใช่ไหมวิที่เป็นจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขุนสีจักขุนซีเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่ปฏิ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 อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์97 อ, อนุโสตะเป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิทิปโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตินทรีย์โสตินทรีย์เป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตินทรีย์ก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่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 เกอนุคาณะเป็นคานินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนรีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุคาณะเป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่ เป็นอัญญาตาวินศีก็ใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีเก้าก้าอนุชิวหาเป็นชิวหินศีใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิจักขุนศีเป็นอินรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนศีเขาใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนศีอนุชิวหาเป็นชิวหินศีใช่ไหมวิใช่ปติ อินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินทรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์หนึ่งอนุกายเป็นกายยินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นกายยินทรีย์แล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายยินทรีย์กายยินทรีย์เป็นกายก็ใช่เป็นกายยินทรีย์ก็ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหม วิจากขุนสีเป็นอินทรียก็ใช่เป็นจากขุนศีก็ใช่อินรียที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นจากขุนสีอนุกายเป็นกายยินทรีย์ใช่ไหมวิเว้นกายยินทรียแล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายยินรียกายยินรีย์เป็นกายก็ใช่เป็นกายยินรียก็ใช่ปฏิอินรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินรียเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินรีก็ใช่ อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ร um? ้อยหนึ่งอนุมโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิจักขุนทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนทรีย์อนุมโนเป็นมนินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปติอินทรีย์เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิ ัญญาตาวินศีเป็นอินรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินศีก็ใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินศีร้อยสองอนุอิทธีเป็นอิถินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนศีก็ใช่อินรีย์ที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุอิทธีเป็นอิถินศีใช่ไหม วิไม่ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิัญญาตาวินทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอัญญาตาวินทรีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีร้อยสาอนุปุริสะเป็นปุริสินทรียใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิจักขุนทรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนทรีก็ใช่ อินทรีย e sí, ์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุปุริจจะเป็นปุริสินรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิอัญญาตาวินรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินรียก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยสี่อนุชีวิตเป็นชีวิตตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิจักขุนรีเป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นจักขุนศีก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนรีอนุชีวิตเป็นชีวิตอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินทรีย์เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิัญญาตาวินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นัญญาตาวินทรีย์ก็ใช่อินทรีย์ที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ร้อยห้า อนุ no um. สุขเป็นสุขหินสีใช่ไหมวิใช่ละถึงร้อยหกอนุทุกเป็นทุกหินสีใช่ไหมวิใช่ยร้อยเจ็ดอนุโสมนัตเป็นสมนัสิินสียใช่ไหมวิใช่ยร้อยแปดอนุโทมนัสเป็นโทมนัสหินสีใช่ไหมวิใช่ยร้อยเก้าอนุอุเบขาเป็นอุเบกขินสีใช่ไหมวิ เว้นอุเบกขินสีแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเบกขินสีอุเบกขินสีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเบกขินสีก็ใช่ปฏิอินสีเป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินสียก็ใช่เป็นจักขุนสีก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินรียแต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุอุเบกขาเป็นอุเบกขินสีใช่ไหมวิเว้นอุเบกขินสีแล้ว ภาวะธรรมที่เหลือเป็นอุเบกขาแต่ไม่เป็นอุเบกินรีอุเปกินร um ีเป็นอุเบกขาก็ใช่เป็นอุเบกขินรีก็ใช่ปฏิอินทรียเป็นอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิัญญาตาวินรีย์เป็นอินทรียก็ใช่เป็นัญญาตาวินรีก็ใช่อินรีที่เหลือเป็นอินรีย์แต่ไม่เป็นอัญญาตาวินสีร้อยสิบอนุสัทธาเป็นสัจทินรียใช่ไหมวิใช่ร้อยสิบออนุ วิริยะเป็นวิริยินทรีใช่ไหมวิใช่ร้อยส1บอนุสติเป็นสตินทรีใช่ไหมวิใช่รอยสบสมอนุสมาธิเป็นสมาธินทรีใช่ไหมวิใช่ร้อยสิบอนุปัญญาเป็นปัญญินทรีใช่ไหมวิใช่ร้อยสิบหอนุอนัญญาตัญญสามีติเป็นอนัญญาตัญญสามิตินทรีใช่ไหมวิใช่ ร้ออนุอัญญะเป็นอัญญินร okay ีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อเจอนุอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิอินรีย์เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิจักขุนสีเป็นอินทรียข้อใช่เป็นจักขุนสีข้อใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นจักขุนสีอนุอัญญาตาวีเป็นอัญญาตาวินทรี์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ อินทรีย์เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมวิอันยินทรีย์เป็นอินทรีย์ก็ใช่เป็นอันยินทรีย์ก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอินทรีย์แต่ไม่เป็นอันยินทรีย์ปัจจีรกะร้อยสิบแปดอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักผุไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุ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 ปิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นกายอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักผุไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นมนนอินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักผุไม่เป็นจก j j ักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอิทินทรีย์ใช่ไหม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 ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโสมนสินทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมทีไม่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่ปิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นโทมนสินทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่ปิ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 วิชัยอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักผลีใช่ไหมวิสส the the fourth, ชัยปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิชัยอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักผลีใช่ไหมวิชัยปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นสมาธินทรีย์ใช่ไหมวิชัยอนุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจก z, ักขุนรีใช่ไหมวิใช่ละถึงอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้ 120. อยี่สิบอนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่รยยี่สิบเออนุ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนรียีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมโนไม่เป็นมนรียีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีไม่เป็นอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิใช่ร้อยยี่สิบสี่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิถีไม่เป็นอิถินรีใช่ไหม วิอิทินสีไม่เป็นอิทีแต่เป็นอิทินรีเว้นอิทีและอิทินรีแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นอิทีก็ใช่ไม่เป็นอิทินรีก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอิทีไม่เป็นอิทินรีใช่ไหมวิอิทินสีไม่เป็นอิทีแต่เป็นอิทินสีเว้นอิทีและอิทินรีแล้ว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 สภาวาธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่้อยยีอ น, นุสภาวาธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวาธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นชีวิตไม่เป็นชีวิตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิใช่รยยี่สิบเจ็อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขขินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขขินสีใช่ไหมวิใช네่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม anyway <ay> mm ่เ hmm. ป <S simple. ions> ็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรี์ใช่ไหมวิใช่ร้อยยี่สิบปดอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินรีใช่ไหมวิใช่ร้อยยี่สิบเก้าอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสมนัสไม่เป็นโสมนัสสินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยสามสิบอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโทมนัสไม่เป็นโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ <ถ Kazakhstan S 1> 3. ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อสสองอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นสัจทินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อสามสอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจากขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นสติไม่เป็นสตินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 วิใช่ปฏ nope. ิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอ well ินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้อยสามอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญะไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีย์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นัญญะไม่เป็นอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ร้ยสามสิบอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นจักขุนทรีใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอัญญาตาวีไม่เป็นอัญญาตาวินทรีใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอันยินทรีย์ใช่ไหมวิใช่สามสุทินทริยวาระ